วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2538นับเป็นครั้งที่3ของการบรรยายความรู้เกี่ยวกับอภิธรรมในหัวข้อเรื่องปริญญาปรราัญญาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วใร่ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัตธาได้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวสืบต่อจากคราวที่แล้วกราบเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ เพืคุณเจ้าที่เคารพท่านสาธุชนผู้ใกลธรรมทั้งหลายลเรื่องปริญญาที่เรากำลังพูดถึงซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สามก็มีเสียงสะท้อนมาว่าเป็นเรื่องเข้าใจยากาคิดดูก็แปลกว่าเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ส่วนมากก็จบปริญญากันมาแล้วเห็นจะเกือบทั้งนั้นบางท่านก็ปริญญาตรีบางท่านก็ปริญญาโทบางท่านจะถึงปริญญาเอก แล้วก็บางท่านก็ยังเป็นผู้ที่ทำให้คุณื่นเก็ได้ปริญญาสอนอยู่ในมหาวิทยาลายัยคิดดูก็ไม่น่าจะบ่นว่ายากมันน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันนี่เป็นเรื่องของท่านซึ่งความจริงปริญญาทางโลกกับปริญญาในที่นี้เป็นคนละส่วนกันไม่ถือว่าผู้ที่จบปริญญาทางโลกนั้นได้ปริญญาในทางธรรมอันนี้ และคนที่จบปริญญาทางธรรมเองในขั้นบริยัตยเห่นปริญญาวิธรรมบัณฑิตจะที่ไหนในโลกก็าตามหรือปริญญาพุทธศาสต ร, ร์บัณฑิตในมหาวิทยลาลัยสงฆ์สองแห่งก็เป็นคนละเรื่องคือยังไม่ถือว่าได้ปริญญาตามความหมายในทีน่นี้และแม้ผมผู้บรรยายเรื่องปริญญาในภาคบริยัตยและท่านผู้ฟังเรื่องปริญญาในภาคบริยัตย ก็ยังถือว่ายังไม่ได้ปริญญาอะไรเลยเป็นการเตรียมเพื่อที่จะทำปริญญากันเท่านั้นถึงคนนั้นจะเป็นคนไปปฏิบัติกรรมาฐานอยู่ถ้ายังไม่ได้ยานที่หนึ่งก็ยังไม่ได้ปริญญาอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นปริญญาที่ที่บางทีตามสำนักบางแห่งพูดกันเหมือนเป็นปริญญาเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ใช่อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่า อ, อย่างบางสำนักในพม่าเนี่ยเขาบอกว่าการสอนของเขาเนี่ยเขาดำเนินไปตามหลักปริญญาในเบื้องต้นนั้นต้องมียาตะปริญญาก่อนคำว่ายาตะปริญญาของเขาเขาหมายถึงต้องเรียนรู้เรื่องวิปัสนาภูมิเท่าที่ควรจะเรียนรู้เท่านั้นเท่านั้นอย่างน้อยก็วิธีปฏิบัติให้เข้าใจให้ถอนความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างกลับปรับความเข้าใจกันใหม่ชื่อว่า ได้ยาสัปริญญาก่อนซึ่งเป็นเรื่องของครูจะเป็นผู้บอกหรือกัลยาณมิตรหรือปรโตโคสะเมื่อเราเข้าใจหลักอันนี้แล้วก็ไปลงมือปฏิบัติเรียกว่าเป็นตีรณะปริญญาซึ่งเป็นเรื่องของสิทธิ์หรือเป็นเรื่องของเราที่จะต้องลงมือทำเองเมื่อลงมือทำก็ชื่อว่าได้ยาอัตีรณาปริญญาและเมื่อเกิดการละเกิดการประหารขึ้นในชั้นใดชั้นหนึ่ง เมื่อลงมือปฏิบัติก็ชื่อว่าได้ปารหาะปริญยาซึ่งเป็นเรื่องของสภาวะธรรมจะพึงเป็นไปเองนะนั้นที่พูดอย่างนี้นะเราฟังแล้วก็จับได้ทันทีว่าท่านผู้ที่พูดอย่างนี้พูดเทียบกับศาสนาสามคือปริยัตปฏิบัติปฏิเวทซึ่งมันคนละเรื่องกัปริญญานะปริยัตหักเข้าเป็นยาตาปริญยา ปฏิบัติหักเข้าเป็นเรียณาปริญญาและปฏิเวทหักเข้าเป็นปานาปริญญาซึ่งคนละเรื่องกันเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่อง ป, ป, ป, ปฏิบัติปฏิบัติต้องหมายถึงเข้าไม่ใช่ศีลล้ปฏิบัติศีลนี่ถือเป็นปฏิบัติเหมือนกันต้องเป็นภาวนาปฏิบัติและภาวนาต้องหมายความถึงวิปัสนาภาวนาอฌานภาวนาก็ไม่ได้อน่ะ ต้องเป็นวิ ป, ปวัสนาภาวนาที่บุคคลเมื่อลงมือทําแล้วถ้ายังไม่ได้ยานที่หนึ่งก็ยังไม่ได้ยาตาปริญญาต้องได้ยานที่หนึ่งก่อนจึงจะได้ยาตาปริญญาก็จึงเป็นอันว่าใครจะร่ำเรียนหรือลงมือปฏิบัติกันมาแค่ไหนอย่างไรก็ตามถ้ายังไม่ได้ยานที่หนึ่งยังไม่ได้ปริญญาอะไเลยเนี่ยตามหลักอย่างที่เราจะพูดกันในวันนี้ต่อไปเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนขึ้นว่านนเรื่องปริญญานะี่ยก็จะค่อยๆ ขยับเข้าไปหารายละเอียดทีละน้อยทีละน้อยผมก็เชื่อว่าถ้าทันไม่ทอ้อแล้วก็รักปริญญาจริงเนี่ยท่านก็จะสามารถเข้าใจได้ไปตามลําดับตามลําดับนะะก็เป็นนั้นว่ามันยากกเพราะว่าเราไม่ได้ปริญญาอะไรกันเลยถึงเป็นเรื่องอยากแล้วในการบรรยายเรื่องปริญญาที่เราจะพูดกันในครั้งนี้เนะี่ยจะทําความเข้าใจชี้ชัด ลงไปในส่วนนี้เป็นพิเศษนะเราดูโดยลำดับของประเด็นที่จะพูดกันคืออปริญญาเนี่ยท่านแบ่งไว้เป็นสองภูมิที่กล่าวว่าเป็นสองภูมิเนี่ยหมายถึงภูมิที่กำหนดวางอยู่บนฐานของวิปัสสนาภาวนาที่ได้ญาณแล้วเป็นนั้นว่าเราหัก ปริยัตออกทิ้งไปเลยครับแม้กำลังเรียนนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของคุณสมบัติทางปริญญาเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานสองหักเรื่องศีลทิ้งไปจะรักษาศีลกี่ข้อก็ตามเคร่งอย่างไรก็ตามนานเท่าไรก็ตามรักษาศีลไม่ได้ปริญญาปฏิบัติสมถะจะได้ฌานชั้นใดก็ตามได้อภิญญา เท่าใดก็ตามไม่ชื่อว่าได้ปริญญาหักออกไปทำวิปัสสนากี่ปีก็ตามถ้ายังไม่ได้ยานที่หนึ่งยังไม่ได้ปริญญาก็เป็นอันว่าปริญญานั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในวิปัสสนายานสิบหกปริญญาสามเนี่ยขอบเขตอยู่ในวิปัสสนายานสิบหกที่บุคคลได้แล้ว เมื่อบุคคลปฏิบัติวิปัสนาญาณขึ้นไปถึงญาณใดๆในส่วนแห่งความประเด็นเป็นปริญญาขั้นนั้นๆในสามอย่างคนนั้นก็ชื่อว่าได้ปริญญาขั้นนั้นและใครที่ทําไปถึงจุดสุดยอดเนี่ยถือว่าปริญญาทุกตัวนั้นเต็มบริบูรณ์ไม่มีหนักไม่มีเบาไม่มีอ่อนไม่มีย่อนแกกว่ากันเพราะนั้นคาว่าโลกิยะปริญญาจึงหมายถึง ความรอบรู้ของวิปัสสนาญาณที่ยังเป็นโลกียาณอยู่เรื่องวิปัสสนาญาณสิบหกเนี่ยเราจะเอามาตั้งแล้วก็พูดย้ําไปย้ํามาตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างกันอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดท่านจะคุ้นกับญาณสิบหกหรืออาจจะบางท่านจําได้อยู่แล้วก็ได้แต่ว่าแง่มุมความหลากหลายความอัศจรรย์ของญาณสิบหกเนี่ยที่เราไม่ เคยสังเกตเห็นหรือไม่ได้เคยศึกษากันให้เป็นข้อสังเกตพิเศษยังมีอีกเยอะก็จะค่อยๆพูดกันแต่ว่าผมจะเน้นในจุดของความเป็นปริญญาเป็นสําคัญวิปัสสนาญาณสิหกนั้นที่เป็นโลกียะวิปัสสนาญาณที่หนึ่งคือนามรูปปริเฉทะยานแยกรูปแยกนามได้อย่างที่เราเข้าใจกันเพียงข้าคราวก่อนนะพอแก่การจะพูดเรื่องปริญญาเข้าใจได้ จนถึงยานที่สิบเอ็ดคืออนุลมายานนะฮะยานที่สิบสองเนี่ยโคตรระพูยานที่สิบสาม น, นึ่งเข้ามักเป็นโลกียายานถามว่าเป็นโลกียยานเพราะอะไรได้เคยบอกในบางส่วนมาแล้วว่าเพราะตัวปัญญานั้นเป็นโลกียกจิตคือมหากุสัญญาณสัมบยุตจิตส อันนี้ก็พิงไปถึงพระพิธรรมหน่อยใครยังไม่รู้ก็ฟังรับทราบเป็นคร่าวๆไว้ใครที่เรียนมาแล้วก็ไม่ต้องพูดก็เข้าใจทราบซึงและมหากริยาญาณสัมพยุตสี่ซึ่งเป็นญาณของพระอรหันต์อันนี้ถ้าคนไม่ไม่ชัดเรื่องพระพิธรรมก็อาจจะงงว่าเอ๊ะพระอรหันต์ทำไมถึงญาณยังเป็นโลกิยะอยู่อันนี้ก็ทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านสามารถเข้าวิปัสสนา คือท่านผ่านมรรคฐานผลแล้วก็จริงแต่ว่าท่านอาจจะปัจจะเวกหรืออาจจะเข้าวิปัสนาได้ในพระไตรปิฎกก็บอกแล้วไทยเรียนเรื่องสติปัฏฐานสังยุตมาก็จะจําได้ว่าพระอรหันต์ท่านยังเข้าในฐานะเป็นผาสุกวิหารธรรมเป็นความสุขอย่างหนึ่งของท่านเ อ, อตรงนี้นะผมย้าว่าเป็นวิปัสนาสุขทําวิปัสนาไปเห็นแล้วมีความสุขครับพรุ่งนี้ในเรื่องของวิจารณ์เจตสิกเนี่ยผมจะคัดพระสูตรที่เป็นหลักฐานแสดงเรื่องนี้ ว่าคนเห็นความเกิดดับเห็นความแตกสลายและกลับมีความสุขมีหลักฐานชัดเลยเพราะฉะนั้นไอ้ใหม่ๆก็อาจจะรู้สึกประอืดประอมเวลาไปเห็นความวิคนวิการของน้ํารูปมันผิดไปจากความรู้สึกเรากิเลสมันยังไม่ยอมรับยังไม่ปล่อยเราก็รู้สึกเป็นทุกข์แต่ว่าพอทําไปเห็นจริงๆเกิดค่อยๆ ย, ย, ยอมรับแล้วเนี่ยเราจะเป็นสุขกระซากศพเทียบอย่างนั้นนะ เป็นสุขกับความแตกดับเป็นสุขกับความตายในนั้นอธิบายเป็นอย่างนี้เพราะนั้นพระอาหารหันต์เมื่อมาเข้าวิปัสสนาแยกรูปแยกนามขึ้นไปตามลำดับแล้วก็ยังอยู่ในเขตของโลกีย า, ยานเนี่ยท่านก็ก็ชื่อว่าได้ญาณที่เป็นโลกีแล้วเราก็อาจจะพูดแถมไปนิดหนึ่งว่าพระอาหารหันต ถ้าเข้ายานสิบหกหักผลสมาบัตินิโรธสมาบัติออกเสียท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุมรคขยานผลละยานโดยลำดับซ้ำอีกแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่ายานสิบหกเนี่ยเราทำเมื่อเราเป็นบุติชนทําขึ้นไปถึงโสดาปฏิมาพอบรรลุโสดาปฏิมาแล้วบรรลุซ้ำอีกไม่ได้ อย่างดีก็แค่ว่าถ้าเราจะทําสกอาตาคามีมรักให้เกิดแล้วบารมีไม่ถึงมันก็ไปตันแค่โลกียญแล้วก็ต้องถอยมาทําขึ้นไปจนกว่าจะบรรลุโสตสกอาตาคามีมรักถ้าบรรลุแล้วก็ทําเที่ยวต่อไปหมายว่าจะต้องทําให้เกิดอนาคามีมรักจะไปเกิดยานซ้ําเหมือนเข้าฌานซ้ําไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ก็ไม่มีทางจะไปบรรลุโสดาซ้ําอีกแล้วจะไปบรรลุอาหารหันต์ซ้ําอีกก็ไม่ได้ แต่ว่าเข้ายานต้นๆแค่โลกียะยานได้นี่คือเป็นข้อธรรมดาของพระอหรหันต์เพราะว่าท่านอยู่จบแล้วก็เลยเข้าโลกิยะเป็นแบบเป็นจิตตกีธาเป็นผาสุขญาณลธรรมไปเท่านั้นเพราะว่าอะไรมันก็ไม่มีอะไรจะทำให้ท่านมีความสุขได้ก็เรื่องของธรรมะนี่คือความหมายแตกต่างขององค์ธรรมของความเป็นวิปัสนาโลกียภูมิอย่างนี้ อันนี้เราก็ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวมาพูดว่าปริญญาอะไรเป็นโลกียภูมิทำความเข้าใจถึงภูมิก่อนนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือปริญญาที่เป็นโลกุตระภูมิได้แก่ปริญญาขั้นโลกุตระโดยยานเนี่ยยานหมายถึงยานที่พกก็คือมกคยานท่านเอามกคยานเป็นหลักเลยนะเป็นที่ ชุมของปริญญาที่เป็นโลกุตล ะ, ะพิญญาโลกุตละปริญญาโดยจิตนั้นคือปัญญาในมัคจิตสีคือสัมมาทิตฐิในโสดาปิมัคจนกระทั่งถึงสัมมาทิตฐิในอรหัตมัคก็เป็นนั้นว่าไม่ยากในตรงนี้นะเราไปดูการจำแนกปริญญาสามโดยภูมิสองอันนี้ก็จะบอกว่า ปริญญาสามคือยาตัดยนานะปหานะนั้นมันเป็นโลกิยาปริญญาโลกุตละปริญญาอย่างไรในการสงเคราะห์แสดงไว้ในคำพีอันนี้ผมก็ประมวลมาทำเป็นแบบให้อ่านกันง่ายลำพังจะไปอ่านในตัวคำพีเองคงจะลำบากาการแบ่งของท่านเนี่ยครับท่านแบ่งไว้เป็นสองลักษณะ ลักษณะหนึ่งเรียกว่าแบ่งโดยลำดับแห่งความเป็นอธิการบางแห่งใช้คำว่าอาธิบดีบางแห่งใช้คำว่าประธานแล้วเขาคงก็เคยใช้คาว่าเจ้าเรือนเจ้าเรือนมากับกีเลศในที่นี้ใช้คำว่าอาธิการอาธิการหมายถึงผู้เป็นใหญ่ในการนั้นในการนั้นในการที่นั้นในการตอนนั้นเรียกว่าอาธิการอาธิการเราเอามาใช้เรียกเจ้าอาวาส เจ้าวาดคือผู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นอธิบดีในการบูแลดูแลบริหารวัดดูแลบริหารสงฆ์ในวัดเรียกว่าอาธิการ <S <S ใช่ไหมเคยได้ยินหรือเปล่าหรือใช้ไม่เหมือนกันคือเราเรียกว่าเจ้าวาดนั่นแหละครับหรือสมภารก็จะเรียกว่าอาธิการหรืออธิการบาดีก็ใช้คล้ายๆกันโดยลำดับอธิการเนี่ยหมายความว่า ปริญญาเวลามันเกิดเนี่ยอันนี้ผมถามนะมันเหมือนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันเกิดต้องเกิดตามลำดับถูกไหมจะไปเอา ป, ปฏิเวทมาก่อนแล้วค่อยปริยัติทีหลังมันไม่ได้นะครับผมต้องย้าว่าไม่ได้ปริยัติที่ผมหมายเนี่ยหมายถึงปริยัติที่เป็นหลักความรู้ควรแก่การบรรลุ ป, ปฏิเวทไม่ได้หมายถึงปริยัติเรียนแบบ เรียนเอาความรู้ทั้งโดยตรงโดยอ้อมก็เรียนหมดไม่ได้หมายความอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเป็นไปโดยลําดับและมันก็มีหลักคล้ายๆกันอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่เรียนปริยัติเช่นพระสงฆ์สมัยพุทธกาลเป็นอันมากเข้าไปฟ้าพระผู้มีพระภาคขอให้ทรงให้หลักบริยัติคือวิปัสนาภูมิแต่โดยย่อเพื่อขาาพระองค์เมื่อได้ฟังแล้วจักพึงเป็นผู้ หลีกเล่นบำเพ็ญเพียรแต่ผู้เดียวพระพุทธเจ้าก็ทรงประธานทสมมตประทานหลักอายตนะยาวบั่งสั้นบั่งบางทีก็สั้นนิดเดียวอายตนะมีหกท่านให้แค่ให้แค่สี่อะไรเงี้ยนะบางทีอายตนะให้แต่ข้างในข้างนอกไม่ให้บางทีให้ทั้งข้างนอกข้างในบางทีให้วิญญาณเข้าไปด้วยทีก็ให้อย่างอื่นยืดเข้าไปด้วยแล้วแต่ค น, นนี้เป็นหลักปริยัติทั้งนั้น ใครรับได้แค่ไหนยังไงท่านก็ให้นี่ถือว่าเป็นเป็นปริยัติเสร็จแล้วก็หลีกเล่นไปสู่การปฏิบัติบางท่านก็ฟังปุ๊บแล้ปฏิบัติต่อหน้าพระพักเลยปฏิเวทปรากฏ ต, ต่อหน้าพระพักเลยก็มีเยอะบางท่านก็ไปปฏิบัติแล้วก็เที่ยวเดียวปฏิเวทเกิดเลยมาเฝ้าบางพวกก็ไปปฏิบัติปฏิเวทไม่เกิดปริยัติก็ยังไม่ปฏิบัติก็ ย, ยังไม่ถูกก็ต้องมามาเรียกว่ามาสอบอารมณ์กันใหม่เข้าไปปฏิบัติใหม่ เที่ยวสองเที่ยวสองบรรลุเที่ยวสาบรรลุก็มีแตกต่างกันนั้นอันนี้ก็เกิดตามระดับที่นี้ที่ผมว่ามันเป็นหลักก็อทจริงอันหนึ่งก็คือว่าปริยัติที่บุคคลเรียนแล้วนําไปสู่การปฏิบัติเนี่ยแล้วเมื่อเกิดปฏิเวทถามว่าปริยัตินั้นเลือนหายไปไหมเมื่อปฏิเวทคล้ายๆว่าเมื่อได้ปฏิเวทก็ลืมปริยัติหรือว่าได้ปฏิเวทปริยัติกับ ชัดเจนหนักแน่นขยายตัวลึกซึ้งกว้างขวางมากยิ่งขึ้นอันนี้ไม่ต้องไยักหน้าตอบเองนะผมรู้ว่าตอบได้แล้วก็เมื่อบุคคลปฏิบัติถึงปฏิเวทยังไม่เกิดปริยัติก็ชัดเจนขึ้นแล้วเมื่อเกิดปฏิเวทเนี่ยหงบอกว่าสิ่งที่เรียนมาแล้วจะเกิดความชัดและชัดแค่เท่าที่เรียนเท่าที่เอามาปฏิบัติไม่พอมันยังขยายตัว ปฏิบัติก็ไปเกื้อกูลอ่าปฏิเวทก็ไปเกื้อกูลปฏิบัติปริยัติทั้งสอยา่างทีแรกปริยัติเกื้อกูลปฏิบัติแล้วก็เกื้อกูลปฏิเวทมาโดยลําดับอย่างนี้ฉะนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นปริญญาสามตัวปัญญาแต่ละขั้นแต่ละขั้นเป็นบาทเป็นบาทเป็นรถแต่ละผลัดแต่ละผลัดที่บุคคลอาศัยขึ้น แล้วก็ไปลงสืบต่อกันไปโดยลาดับโดยลาดับอย่างนี้โดยลาดับของความเป็นอธิการเนี่ยจึงว่าในชั้นต้นที่สุดเนี่ยเอาอยัางงี้นะเอามาเทียบกับปริยัตปฏิบัติใหม่ขณะที่เราฟังปริยัตยังไม่ปฏิบัติแล้วก็ยังไม่ได้เกิดปฏิเวทถามว่าขนะในใจเราเนี่ยสมมติว่าเรามีจุดมุ่งหมายว่าเรียนเพื่อไปปฏิบัติ แล้วก็เพื่อบรรลุปฏิเวทถามว่าขณะ <c oughs> เรียนและไอความตั้งใจนั้นนายกไว้แต่ความเป็นจริงขณะเรียนอะไรเป็นอธิการปริยัตเป็นอธิการถามว่าถ้ายังไม่ลงมือปฏิบัติปฏิบัติเกิดยังอย่า ง, างมันอยู่ในความตั้งใจปฏิเวทแล้วก็อยากได้อยู่ในความปรารถนาแต่ยังไม่เกิด ยังไม่เกิดทั้งยังไม่อุดหนุนด้วยพอลงมือปฏิบัติปับ๊บปริยัตนั้นอุดหนุนปฏิเวทยังไม่เกิดนี่มันเป็นไปตามลำดับอย่างนี้นะพอไปถึงปฏิเวทเข้าก็ทำให้เกิดความเสมอภาคกันของปริยัตปฏิบัติปริเวทในภายหลังอีกทีหนึง่งเราจรึงดูโดยลำดับอธิการเนี่ย กล่าวโดยสรุปว่ายาตาริญญาคือความกำหนดรู้ปัจจัตตะลักษณะอันนี้นะผมก็ต้องเรียนว่าเรายังไม่ได้เรียนแต่ละตัวนะคราวหน้าจึงจะเริ่มยาตาริญญาตัวเดียวโดยละเอียดต่อไปตรง น, นี้ให้เข้าใจหลักกว้างๆข้อกล่าวอย่าได้ยืนความเข้าใจและความมุ่งหมายในการฟังไว้ให้ถูกจุดก่อน ยาตาปริญญาที่เป็นปัญญารู้ปัจจัตตาลักษณะและตีรณปริญญาปัญญารู้สามัญญลักษณะเป็นโลกียาสถานเดียวโลกิยาหมายถึงปริญญาสองอย่างเนี่ยมีฐานะเป็นโลกียาภาวนาญาณเท่านั้นหรือโลกิยวิปัสนาญาณเท่านั้นไม่ใช่โลกุตละ มาโดยลําดับยาตามาก่อนเทียนะมาทีหลังและถ้าจะถามย้ำความเข้าใจของข่าวที่แล้วว่ารู้ปัจจตตาลักษณะไม่ได้หมายถึงรู้ด้วยการเรียนแล้วก็ไม่ได้หมายถึงรู้ในขณะที่ผู้ปฏิบัติกำหนดเห็นสภาจับประจับประมาณอารมณ์ได้แต่ยานที่หนึ่งยังไม่เกิดก็ไม่เอานะต้องเกิดยานที่หนึ่งคือหมายความว่า ปัจจตาลักษณะที่เป็นอารมณ์ของยานที่หนึ่งแก่ใครคนนั้นชื่อว่าได้ยาตาปริญญาแล้วก็จะรู้ขยับขยายไปถึงยานที่สองอ น, นุเข้ามาอีกยานหนึ่งถือว่าเป็นความลึกของการกำหนดเห็นปัจจตาลักษณะและเมื่อพิจารณาสภาวะประมัตินั้นจนเห็นสามั ญ, ญลักษณะ ทั้งของตัวนามรูปที่ปรากฏเฉพาะหน้าและตัวนามรูปที่เป็นปัจจัยของนามรูปที่ปรากฏเฉพาะหน้าว่าเป็นอนิจจังเหมือนกันทั้งผลและเหตุชื่อว่าได้ตีรณปริญญาเกิดตามลำดับเป็นโลกิยะปริญญาเพราะเกิดในโลกียาณส่วนปหานาปริญญา คาดเกี่ยวครับปหานะปริญญานั้นปัญญารู้การละกิเลสไอ้รู้รู้การละกิเลสเนี่ยรู้อย่างไงเนี่ยน่าศึกษามากครับแล้วท่านอธิบายไว้ดีเป็นที่อัศจรรย์ว่ารู้อย่างไงที่ว่ารู้การละกิเลสอันนี้ผมทิ้งไปก่อนสือถ้าบอกว่าปรารานะปริญญา ปริญญาละกิเลสมันก็เหมือนละเหมือนไม่รู้แล้วแต่บอกว่ารู้รู้ยังไงเนี่ยเราก็อาจจะอธิบายมันมีหลายขั้นนะนะว่าในขั้นหนึ่งอธิบายได้ไปถึงบางขั้นอธิบายอย่างบางขั้นไม่ได้แต่ว่ามันเป็นจริงอธิบายแล้วอ่านแล้วเราก็เห็นความอัศจรรย์เออความรู้ในทางศาสนาเนี่มีแง่มุมเยอะที่เดียวเป็นทั้งสองส่วนนี่ให้เข้าใจไว้เป็นอันนี้ว่าปา่าหานขั้นโลกี อาหารไม่ขาดใช่ไม่ใช่รู้ขั้นโลกีรู้แล้วหลุดได้อย่างเราว่าเรียนปริยัติมันลืมได้ปริยัติเนี่ยมันลืมได้แต่ความรู้ขั้นโลกีเนี่ยรู้แล้วมันหลุดได้ไอคำว่าหลุดเนี่ยบางทีไม่เกี่ยวกับลืมหมายความว่างไง หมายความว่าคนที่ไปเห็นปรากฏการณ์ของนามลูกตามความเป็นจริงแล้วนานแล้วแล้วก็ยังไม่ลืมแต่ว่าไอ้ความที่ตัวเองนึกว่าตอนนั้นเรารู้อย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ได้คุณสมบัติอย่างขณะที่เรารู้จริงๆเข้าใจไหมเช่นใครเห็นเคยเห็นความเกิดดับของรูปของนามแล้วเกิดความรู้สึกสะติดสะบึงกลัวตอนเห็นเนี่ย พอมาถึงเดี๋ยวนี้พูดปั๊บแล้วก็เออใช่มันเกิดมันดับอย่างงีอย่างนี้เล่าได้พูดได้แต่มันได้แต่ไม่ลืมอะแต่ความรู้สึกคุณสมบัติของผู้ที่อย่างรู้อย่างเต็มเต็มเนี่ยมันละลายและนานเข้าในที่สุดมันก็จะลืมไปเลยลืมไปเลยฮะ้วยเหตุใดก็ตามอย่างเอาที่แน่ๆก็คือพอตายไปแล้วก็ต้องลืมแหละ ่าจะผิดกับคนที่เขารู้ขั้นโลกุตะละขั้นโสดาเนี้ยมันไม่ลืมเพราะว่าโสดาไปเกิดใหม่เนี่ยมันเหมือนไอ้ความเกิดดับมันมาป้วนเปลี่ยนในเห็นอยู่เป็นอาจีนอ่ะมันไม่ใช่แค่เกิดความรู้สึกนะแต่ว่ายานเนี่ยมันมันใกล้ชิดมันติดมันฝังใจกับปรากฏการณ์ของนามรูปนั้นอย่างชนิดที่แม้พยายามจะลืมก็ลืมไม่ได้นั้นท่านไปอยู่ที่ไหนท่านถึง ทำวิปัสนาญาณต่อได้เป็นปฏิบัติพูง่ายว่าเป็นปรากฏการณ์ทางปฏิบัติที่ติดสันดาน ล, ล่อให้ต้องปฏิบัติจะทำก็สามารถจะเห็นได้โดยไม่ยากไม่ทราบว่าพูดตรงนี้พอเข้าใจไหมอย่างที่หลายคนบ่นว่าแหมไอตอนออกอยากกรรมฐานใหม่ๆเนี่ยมันก็ได้ความรู้สึกดีแต่พอนานไปนานไปเขาจะหมดความรู้สึก หมดความรู้สึกในธรรมะใช่ไหไอ้กิเลสที่เคยข่มได้ความรู้สึกดีงามที่เคยเกิดขึ้นมันก็ค่อยๆ ค, ค, คลายหายไปนี่โลกิยะเป็นอย่างนี้ทุกๆอย่างความรู้ก็ดีความละก็ดีมีความรักลั่นแต่พอไปถึงขั้นโลกุตระแล้วไอ้ไม่มีความรักลั่นละกิเลสอะไรได้เด็ดขาดด้วยแล้วไม่รักลั่นยกตัวยอย่างว่า อ่เอาก็พูดซะเลยนะว่าสมมุติว่าเราปฏิบัติขั้นโลกิยาออกมาเราก็ได้ไปเห็นไอะไรอะไรที่มันเป็นปรากฏการณ์ของนามรูปในขั้นปริญญานั้นพอเห็นแล้วเนี่ยเราก็ได้การกระทบกระเทือนใจแต่กิเลสบางอย่างเนี่ยครับเมื่อไปเทียบกับอีกคนหนึ่งเราหนากว่าเขากิเลสบางอย่างเขาหนากว่าเรา บริญยาคันโลกิยามันไม่สามารถจะล่ได้เสมอกันบางอย่างก็เสมอกันี่มันมีสองส่วนนี้นะครับอ่าเพราะนั้นคนสองคนปฏิบัติสมมติว่าเห็นความดักเหมือนกันแล้วก็ออกจากกรรมาฐานเหมือนกันปรากฏว่าเอออีกคนหนึ่งทำไมยังงี้อย่างนี้อยู่อีกคนหนึ่งเออทาไมเขาผิดไปเยอะในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่ง เออทำไมคนนี้เ็าได้เปรียบคนนี้นะฮะยกตัวอย่างอย่างมัชริยะเจตสิกพอเป็นโสดาบันเนี่ยครับให้ต่างกันมายังไงในตอนต้นยานต้นพอเป็นโสดาบันแล้วเหมือนกันเลยเท่ากันเลยไม่ขี้เหนียวเหมือนกันแต่โลเกียญแล้วยังตื่นมากตื่นน้อยยังมีเหลือแตกต่างกันทั้งนี้ก็อย่างที่ผมว่าคราวที่แล้วว่า อยู่ที่การสั่งสมโลกมันเหลือบากว่าแรงของโลกิยะปริญญาที่จะปรับให้เสมอกันตั้งแต่เั้าแรกอ่าก็เลยโลกิยาในมีสองส่วนส่วนที่เราละได้คล้ายๆกันกับส่วนที่ละได้ไม่เท่ากันแต่ถึงขั้นโลกุตระแล้วเท่ากันเว้นแต่วาสนาเคยได้ยินไหมวาสนา คือหมายถึงบุคคลิกอันเป็นไปโดยไม่ได้มีเจตนาจากกิเลสนั้นเช่นพระปิรินทะวัชชะพูดทาไม่ไปลอกงี้เป็นต้นไม่ได้เกี่ยวกับกิเลสเป็นแต่วาสนาอันนั้นก็เป็นข้อหลงเหลือก็ไม่ถือเอาในสาระของปานะปริญญาในทีนี้พระพิรินทวัชชะกับพระสารีบุตรกิเลสหมดเท่ากันหมหมดเท่ากันแต่ว่าบุคคลิกที่แสดงออก สิ่งหลงเหลือแตกต่างกันอันนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาแต่ว่าผมก็คงต้องเรียนว่าในการบรรยายโครงการนี้ยังไม่ได้พูดถึงตรงนี้พูดทิ้งไว้ก่อนนะถ้ามีโอกาสต่อไปพูดถึงเยื่องยานสิบหกเนี่ยก็จะแสดงให้ดูว่าไอ้ที่ผมว่าเนี่ยตรงนี้แยกออกมาเป็นแต่ละยานแต่ละยานขั้นโลกีเป็นยังไงโลตระเป็นยังไงนะก็เป็นว่าเราได้หลักตรงนี้แล้วปาหานนะถ้าเป็นขั้นโลกุตะระปาหานขาด นี่คือแบ่งโดยลำดับเจ้าอธิการเพราะย้ำก่อนจะผ่านประเด็นนี้ไปว่าปริญญาสามเวลาเกิดมันค่อยๆเกิดทีละตัวเมื่อถึงจังหวะของปริญญาใดเป็นอธิการเขาก็เป็นหัวหน้าเพื่อบ่มปริญญาตัวอื่นให้ปรากฏไปโดยลำดับพอไปถึงอีกขั้นหนึ่งตัวอื่นเ้าก็หมุนมาเป็นหัวหน้าบ้างไอ้ตัวที่ได้แล้วก็เป็นตัวอุดหนุน มันจะมีรายละเอียดในหน้าต่อไปนะดูประเด็นต่อไปที่บอกว่าโดยความบริบูรณ์แห่งปฏิเวศคือการแทงตลอดผมขออ่านให้จบแล้วจะพูดถึงปฏิเวศสนอยก่อนปริญญาทั้งสามถึงความบริสุทธิ์บริบูร์ในขณะแห่งมรรยายคําว่าบริสุทธิ์บริบูรนหมายถึงปริญญาที่ปรากฏใน มรรคยานนั้นครบสามและไม่มีใครใหญ่กว่าใครต่างคนต่างใหญ่เลยไม่ใหญ่เพราะมันใหญ่เท่ากันแล้วก็เท่ากันจะว่าใหญ่ก็ใหญ่ในกิจของตัวกิจของตัวหมายก็ว่าปริญญาตัวใดทำกิจอะไรต่ออรเรยสัตตี ปริญญานั้นก็เป็นใหญ่ในกิจนั้นๆและต่อไปที่บอกว่าปริญญาทั้งสามในขณะแห่งมรรยาเป็นโลกุตระปริญญาโดยสานเดียวก็คือทั้งสามเนี่ยไม่ใช่โลกไม่มาแบ่งครึ่งๆกลางๆแล้วตามระดับของการเกิดปริญญาทั้งสามแทงตลอดสัตว์อริยสัตว์สีด้วยปฏิเวทสองคืออรรมณะปฏิเวทแทงตลอดโดยการหน่วงนึกรู้อยู่ อาสามโมหาปฏิเวทแทงตลอดโดยความไม่มีความหลงแล้วคือแม้ไม่ได้นึกอยู่ต่อหน้าแต่ก็ไม่หลงแล้วก็ชื่อว่าไม่รู้เอ่อชื่อว่าไม่มีความไม่รู้นะใน ค, คำอาสมมามโมตรงนี้อผมจะอธิบายประกอบมันอาจจะเพิ่มพาระรายละเอียดซึ่งในเอกสารก็มีอยู่มากมายแล้วไปสักหน่อยนะฮะแต่ก็น่าจะ เป็นความรู้แง่มุมอันหนึ่งที่ที่เป็นประโยชน์และเราไม่อาจจะไม่เคยได้ฟังกันในที่ส่วตัวไปเรื่องปฏิเวทเนี่ยคืออะไรกันแน่เรามักจะเข้าใจคำว่าปฏิเวทในฐานะของผลอันเกิดจากการปฏิบัติเหมือนกับว่ารู้วิชาหูงข้าวเป็นบริยศ หูงข้าวเป็นปฏิบัติกินข้าวอิ่มเป็นปฏิเวทอย่างนี้เลยมันก็ปฏิเวทก็เลยมีฐานะเป็นผลได้ของปริยัติปฏิบัติในชั้นใดๆก็ตามแต่ตามสับปฏิเวทเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าแทงตลอดเมื่อแปลว่าแทงตลอดก็แปลว่า ม, มีแทงไม่ตลอดแ ล, แลว้วแทงตลอดกับ แ, แทงไม่ตลอดต่างกันยังไงและ คือไอ้คำว่าแทงเนี่ยมันกลายเป็นชื่อของปัญญาไปปัญญาที่แทงตลอดกับแทงไม่ตลอดพูดเป็นภาษางคือรู้ตลอดรู้ยังไงรู้ตลอดก็รู้รอบโดยรอบจากซ้ายไปขวาจากขวาเไปซ้ายจากเหนือไปใต้จากบนไปล่างจากล่างไปบนทะแยงทิศทั้งพวงรวมทั้งโดยรอบนี่ว่ารู้ตลอดแทงตลอด ในเรื่องอริยสัจสี่ก็ดีหรือแม้เรื่องบางเรื่องคือเรื่องอภิญญาก็ท่านเรียกเป็นปฏิเวทเหมือนกันเป็นความแทงตลอดคือพูดง่ายๆปฏิเวทนาหมายเอาผลได้ทางปัญญาชั้นสูงสุดสองสายสายหนึ่งคือสายโลกีได้แก่อภิญญาเอาตั้งหลักตรงนี้ก่อนถามว่าทมฌาน ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ได้โลกียะปฏิเวทยอย่างๆพอเอาฌานเป็นบาตรต่อพิ ญ, ญาได้พิ ญ, ญามีตาที่เห็นหนู่นเห็นนี่เป็นต้นในโลกียะพิยาห้าอย่างได้ปฏิเวทอย่างได้แล้วถามว่าเป็นปฏิเวทอะไรตอบว่าเป็นโลกียะปฏิเวทที่โลกรู้มานานแล้วไม่ต้องเกิดพระพุทธเจ้าก็มีปฏิเวทอย่างนี้ และพอเกิดพระกุธเจ้าเข้าหรือใครที่มีปฏิเวทอย่างนี้เป็นทุนอยู่แล้วก็มาทำโลกุตละปฏิเวทได้ง่ายเป็นปฏิเวทที่มาอุดหนุนปฏิเวทในสายพิเศษในพุทธศาสนาโลกุตละปฏิเวทถามว่าทำโลกยะวิปัสสนาญาณเรียกว่าปฏิเวทได้ยังได้ปฏิเวทยังอย่างต้องได้มรคยานครับจึงจะเรียกว่าโลกุตละปฏิเวท ปฏิเวทหมายเอาตรงนี้ต่ำกว่านี้ไม่เรียกปฏิเวทนั้นเรามาดูในรายละเอียดแต่ละข้อคือเรื่องของสายภาวนาสูงสองสายสมถวิปัสนาเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือเบื่อกระแทงตลอดเบื่อหน่ายกระแทงตลอดอันนี้เป็นคุณ ล, ลักษณะที่อันหนึ่งเป็นความรู้อันหนึ่งเป็นความรู้สึกที่แบ่งไวในเอกสารเนี่ยจาไม่เลย รู้กับความรู้สึกรู้แล้วต้องได้ความรู้สึกความรู้สึกได้มาทำไมได้มาเพื่อผลแก้ความรู้สึกทางต่าคลายความรู้สึกทางต่าได้ความรู้สึกทางสูงคลายความรู้สึกทางต่ารู้ได้ความรู้สึกทางสูงมาไม่รู้ได้ความรู้สึกทางต่าเป็นไอ้ปฏิเวทกับอปปติเวทถามว่าเราขนาดนี้มีปฏิเวทหรือมีอปปิเวท มีอับปติเวทนี่พูดถึงใครยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนะถ้าบรรลุมรรคผลว่าขอยกท่านไว้ชื่อว่ามีอับปติเวทไม่มีปฏิเวทเมื่อไม่มีปฏิเวทมันก็ไม่มีความรู้สึกอย่างที่พูดได้ปฏิเวทเขารู้สึกทีนี้ถามว่ารู้สึกอะไรเป็นความรู้สึกที่เป็นสาระรวบยอดสูงสุดอย่างในยานที่ผมท่านใช้คาแทนว่าเบื่อ นิพพีธาเบื่อเป็นคำแทนเหมือนกับนามรูปอนิจังทุกขังอนัตตาเวลาท่านมาใช้คำแทนใช้คำว่าทุกเป็นคำแทนเบื่ออะไรก็เบื่อในสิ่งที่มันเป็นทุกและอะไรเป็นทุกเป็นทุกยังไงอธิบายยืดยาววิจิตรวิสดาอันนี้ดูเป็นขอ้ขอคอบ่หนึ่ง นิพพิธาโนปฏิเวสสองปฏิเวสโนนิพพิธาสามนิพพิธาปฏิเวสสี่เนวะนิพพิธาโนปฏิเวสอย่าเข้าใจว่าผมเอาภาษาอังกฤษมาปนนะครับนี่เป็นภาษาบาลีแล้วก็ข้อความนี้ก็คัดมาจาก พระไตปิฎกเล่มที่สามส้ายานวิพังจะมีอยู่ที่อื่นด้วยแล้วก็ในนั้นก็มีบางอย่างผมเก็บที่อื่นมาผสมกันให้สมบูรณ์ขึ้นออกมาเป็นความหมายโดยรวบยอดอย่างนี้แปลตามข้อหนึ่งและความหมายว่านิพพิธานโนปฏิเวทที่แปลว่าเบื่อหน่ายแต่ไม่แทงตลอดคืออะไร โปรดเข้าใจว่าเบื่อไม่ใช่อย่างเราพูดกันในภาษาโลกเบื่อนั่นไม่เบื่อนี้ซึ่งมันมันคือถ้าพูดอย่างภาษาท่านอไรอ้ความรู้สึกเรานี่มันเหมือนคนบ้ามันขัดขัดแยงแยงหมุนกันไปมันก็มาไม่รู้ว่าเบื่อหรือไม่เบื่อนะยังก็บอกว่าเบื่ออาหารเนี่ยมันก็เบื่อไม่จริงเบื่อแล้วมันมีเขาบางทเบื่อน้ำาพลิกอยากจะกินประตูเบื่อ เบื่ออยากจะกินไก่อะไรเงี้ยเบื่ออาหารไทยอยากกินอาหารฮองกงเบื่อแฟนคนนี้อยากได้แฟนคนใหม่เบื่อรถคันเก่าอยากได้รถรุ่นใหม่แล้วบางทีไอ้ทีแรกว่าเบื่อเบื่อเบื่ อ, อพอคนอื่นเขาไปอยู่ที่มือคนอื่นครอบคองเกิดจะไม่เบื่อขึ้นมาีิแล้ววันนี้เบื่ อ, ออีกสองเดือนไม่เบื่ออะไรเงี้ยมันเหมือ น, นคนบ้า นะฮะมันมันยังเงี้ยฮะท่านถึิงบอกว่าความรู้สึกของคนเนี่ยมันสับสนอีลุงตรงนางไม่รู้จะเอาอยัางไงกันแน่ตามภาษาบุติชนนะรีรีรขวงขวา ง, งมันแล้วแต่ว่าความโง่โชกูความโง่โชกูบมาว่าคิดไปอย่างพอนนึกได้มันก็คิดอีกอย่างตรงนี้โดยความหมายของตัวสภาวะธรรมหรือตัวอย่างคือ ชานหนึ่งถึงชานสี่ใครที่ได้ชานหนึ่งถึงชานสี่ชานหนึ่งถึงชานสี่เนี่ยเป็นชานที่ได้ชานมีฐานะเป็นชานแต่ไม่มีฐานะเป็นอภิญญาครับคนจะได้อภิญญาเนี่ยต้องทำให้ได้ชานที่ห้าแล้วพัฒนาชานห้านให้เกิดความรู้พิเศษนอกเหนือจากความนิ่งเฉย จึงมีฐานะเป็นอภิญาแล้วก็มีฐานะเป็นโลกยะปฏิเวทอันนี้ผมก็พูดเลยไปเพื่อให้ให้มาเข้าใจตรงนี้เป็นพิเศษออกมานายอะไรครับชาดหนึ่งถึงชานสี่เบื่ออะไรเบื่อกามเบื่อกามไออย่างที่เราชอบชอบเนี่ยคนได้ชาเขาเบื่อแล้วไม่ใช่เบื่ออย่างเราเบื่อ ไม่ว่าจะเอารถยี่ห้อไหนไปให้เบื่อหมดทุกยีห่ห้อไม่ว่าจะเอาอาหารชนิดไหนไปให้เบื่อหมดทุกอย่างแล้วก็เบื่ อ, อยังนี้ไม่พานข่าตัวตายไม่พานเป็นโลกจิตเบื่ อ, อยังมีความสุขเพราะไอ้สิ่งที่เขาเบื่อนั้นเป็นที่ตั้งของความสุข กามทั้งหลายมีโทษคนเบื่อสิ่งที่มีโทษมากก็จะได้รับความทุกข์เพราะพิษโทษในกามนั้นน้อยไปเป็นธรรมดาเขาก็ไปชอบอย่างอื่นที่สูงขึ้นไปนะซึ่งซึ่งเป็นส่วนบางส่วนที่เขายังคิดเบื่อไม่เป็นแต่ในชั้นนี้นะพูดโดยลำดับจากสามมันสํานึกของคนทั่วไปขึ้นไปหาพวกได้ั้ะจึงสรุปว่าเบื่อนานกาม แต่ถามว่าฌานเนี่ยแทงตลอดอภิญญาตาทิพูทิพไม่ยังคนได้ฌานไม่ใช่ว่าได้ตาทิพูทิพทุกคนนะเอาละคนได้ฌานเนี่ยถึงว่าโดยปริยายจะมีอภินิหารอยู่บ้างแต่ถือว่าไม่ถึงมาตรฐานก็ไม่เรียกว่าได้พิญญาต้องไปอบรมพิเศษใช้พลังนั้นไปฝึกอบรมพิเศษจึงจะได้พิญญา แต่เจออ้าลมพิเศษได้ต้องได้ชันถึงขั้นที่5ไม่แทงตลอดอาพิญยาโลกิยาพิญญานยาในอปฏิเวสตรงนี้โนโปฏิเวสตรงนี้แล้วก็ไม่แทงตลอดสัจยาหมายถึงไม่ได้ตดรัดสลูอริยสัจสีซึ่งเป็นการแทงตลอดในสายโลกุตะละเพราะฉะนั้นชาน จึงชื่อว่าเป็นนิพพิทาโนปฏิเวชชานหนึ่งถึงชานสี่วิปัส น, า โ, น, น า, าโลกีเบื่อไหมฮะคนได้วิปัสสนาญาโลกีเบื่อถามว่าเบื่ออะไรตอบว่าเบื่อกายเบื่อกายกายเป็นคําเรียกนามรูป คนทำวิปัสนาเนี่ยทาโดยจุดมุ่งหมายทางปริยัติและโดยผลที่จะพึงเกิดของความเจริญในการปฏิบัติก็คือเบื่อตนเองน่ายตนเองคนทำวิปัสนาถึงไม่หลงตัวนะฮะเวลาเกิดยานกันแล้วเนะี่ยไม่หลงตัวก็หมายความจะเพียงว่าเมื่อเกิดยานนั้นความรู้สึกหลงตัวเองจะถูกคลายไปตามส่วนของการปฏิบัติเข้าถึง แต่เนื่องจากว่ามันยังเป็นลูกย่ามก็กลับมาหลงที่หลังได้หรือกำเริบขึ้นได้ในภายหลังนี่เป็นธรรมดาเบื่อกายเบื่อกามกับเบื่อกายเนี่ยใครน่าจะดีกว่ากันเบื่อกายสูงกว่ากามท่านเพ่งเอาภายนอกกายเพ่งเอาภายในยเราชอบกายก็เพราะเราเห็นกายเป็นอย่างปุถุชนคิดกัน พอไปเดินทางตามรอยอริยะเขาไปเห็นความเป็นจริงก็เกิดความเบื่อหน่ายสะดุ้งสะเทือนนี่เรียกว่าเบื่อก็อย่าเพิ่งมาถามว่าเบื่อเนี่ยมันเกิดความรู้สึกยังไงแตกต่างกันยังไงกันแน่แล้วคนเบื่ อ, อย่างงี้ฆ่าตัวตายมีบ้างใดไหมคิดว่ามีมะเบื่ อ, อยางนี้แล้วเกิดไปคิดฆ่าตัวตายถ้าขั้นสมถะพอมี ที่พระสมัยพิศการนะฮะแต่มีเนี่ยไม่ใช่มีทุกคนนะต้องหมายถึงคนนั้นมีกรรมจะต้องฆ่าตัวตายด้วยมาฆ่าตัวตายเพราะมาทำกรรมฐ า, านดีแล้วเดียวห้ต้องอาไปกรรมมันไปทำให้ฆ่าตัวตายตอนอื่นซึ่งไม่เป็นปร ะ, ะโยชน์แล้วก็โลกิยวิปัสนาเนี่ยถือว่ายัง แทงไม่ตลอดอริยสัจสี่กาลังสังสมทรรมกิจในการรู้อริยสัจสี่ไปตามส่วนตามส่วนลึกเข้าไปแทงเข้าไปละเอียดเข้าไปตามลำดับตามดแต่ยังไม่ตลอดจึงเรียกว่าเป็นโนปฏิเวทเพราะยังแทงไม่ตลอดแต่ว่าไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยรู้อยู่บ้างแต่ยังไม่เต็มมาตรฐานจึงไม่นับ อย่างที่สองปฏิเวทโนนิพพิทาแทงตลอดแต่ไม่เบื่อหน่ายนะตรงนี้ก็มีแง่ออกมาว่าฌานที่ห้าฌานที่ห้าเนี่ยคนเรียนระวิธรรมแล้วก็จะจำได้ว่าเป็นองค์ธรรมของอะพิญญาโลกียะพิญญาองค์ธรรมคือปัญจมชฌานกุศลหรือปัญจมชฌานเครยียพูดอย่างเป็นหลักวิยาหน่อยนะ เพราะฉะนั้นปัญจะมาฌานจึงถือว่าเป็นอภิญญาและเป็นตัวที่แทงตลอดอภิญญาเห็นสิ่งที่มนุษย์ธรรมดามองไม่เห็นได้ยินสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาได้ยินไม่ได้รู้ใจคนอื่นได้นี่ถือเป็นความแทงตลอดั้นโลกีะแต่การแทงตลอดอย่างนี้ถามว่าเห็นไปถึงทุกไหมเห็นไปถึงทุกไหมอาน า, าบกทำไมจะไม่เห็นล่ะ มุดว่าใครมีทุกข์เข้ามาท่านภูมิตาทิพย์รู้ว่าคนนี้ไปทําอะไรไว้เมื่ อ, อไหรแล้วก็จะไปสุประสบข้อความยังไงเอาไม่เห็นทุกข์เลยเกิดที่ไหนพอคลอดแล้วพ่อแม่แม ต, าตายตัวรอดขอดแฝดแจะตายคนตัวรอดมาเนี่ยเคยป่วยเกือบจะตายมาแล้วผลหนึ่งอย่างงีอย่างนี้หรือทุกข์ในอนาคตจะเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้แล้วรู้แต่ ไอ้ทุกอย่างนี้ไม่ใช่ทุกที่โลกุตละปฏิเวทเขาแทงตลอดเข้าใจไหมไ ม, มันเป็นทุกธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ทุกขั้นอริยสัจจึงไม่ชื่อว่าแทงตลอดเห็น้ทุกขั้นอริยสัจเนี่เห็นแล้วตัวเองต้องสะดุ้งสะเทือนตัวเองต้องได้อะไรกับตัวเองแต่ถ้าเมื่อคนไปนั่งดูทางไหนให้คนเห็นคนนี้จะเป็นจะตายตัวเองสะดุ้งสะเทือนอะไรไหม บางทีไม่สะดุ้มสะเทือนกับกิเลสพ่อเลยครับบอกดีแล้วคนนี้เนียเรามีทางแก้เราก็จะตั้งข้อแม้อย่างงู้นอย่างนี้เพื่อประโยชน์อย่างนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นพวกนี้จึงเพราะกิเลสก็ได้ใช้ไม่ดีบางทีไปตาทิพดูไม่เลือกที่ครับคนได้อภิญญานนัชฌานเชิญแตกไปเลยก็มีนี่คือองค์ยานที่ชื่อวานิพพิทาน ปฏิเวทโนนิพพิธาปฏิเวทจึงหมายเอามีฐานะแค่โลกียะปฏิเวทและไม่เบื่อก็คือไม่เบื่อเลื่อนระดับความเบื่อสูงขึ้นไปครับยอมรับว่าปฏิเวทชั้นต่ำปฏิเสธปฏิเวทชั้นสูงหมายเอาปฏิเวทชั้นต่ำไม่ได้หมายเอาปฏิเวทชั้นสูง เบื่อที่วโนบริเวทหมายถึงไม่เบื่อชั้นสูงคือไม่เบื่อกายและไม่เบื่อวัตตะคนที่ได้ฌานได้อภิญญาเนี่ยมันมีคีเลชั้นสูงอยู่ในนั้นเช่นมานะถือตัวถือเกียรติถือหน้ายังจัดในระดับนั้นในเรื่องเกี่ยวกับฐา น, นาของเขา การพูดแข่งแย่งกันระหว่างผู้ได้ฌานได้วิญญาในทางความเห็นยังมีอยู่พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในพระสูตรหนึ่งเรี่ยบเหมือนบ่วงบวงมานวัสนาพราหมณ์บางพวกอา่าออกบวชบวชแล้วก็ทีแรกปลดบ่วงเสร็จแล้วก็มาติดที่หลังบางพวกก็มาบวชต่อมาแล้วนี่สมณพราหมณ์ในนี่จนพูดถึงนอกาศาสนา บวชแล้วปลดบวงการได้แม้บวชแลวก็ปลดได้ไม่ถูกบวงที่สองคล้องเอาแต่ติดบวงอีชนิดหนึ่งคือบวงมานะทิฏฐิเนี่ยเป็นบวงติดเพราะอะไรเพราะพวกนี้ไม่น่ายนามรูปอย่างวิปัสนาหนยยัยงหลงว่าตัวในนามรูปตัวเองมีสิ่งสำคัญมีสาระบางอย่างอยู่อยู่ในนี้ก็เลยไม่เบื่อกาย เพียงแต่ว่าเอออยากจะไปเป็นพรหมชั้นนั้นชั้นนีน้อีกเรื่องถ้าเบื่อกายแล้วกายในอัตภาพใดในภูมิใดก็เบื่อหมดและไม่เบื่อสังสารเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ยังเลือกที่รักมักที่จังเหมือนกับเราเราก็เลือกที่รักมักที่จังเช่นว่าเราไม่อยากจะเกิดมาเป็นคนมีสุขภาพไม่ดีอยากจะเกิดมาเป็นคนมีสุขภาพดีอยากไม่อยากจะไปเกิดเป็นพวกชนเผ่า อนารายธรรมไรอารานอนารายธรรมอยากยัมาเกิดกระเพราอารยธรรมอะไรพวกเนี้ยมันก็เลือกที่รักมาที่จังไม่ไปเกิดเป็นเดชะนอยากเกิดเป็นมนุษย์พวกนี้เขาก็คิดอย่างนี้นแต่เพียงมาตรฐานความคิดแตกต่างกันไปดูต่อไปครับนิพพิธาปฏิเวทแปลว่าเบื่อด้วยเบื่ อ, อยังครบทถ้วนตรนี้แหละแล้วก็ปฏิเวท ด้วยคือมรรคขยานมรรคขยานเนี่ยหน่ายสงสารเนี่ยมันหมดแล้วเบื่อสงสารแล้วเบื่อในขณะมรรคขยานปรากฏเนี่ยมันไม่ได้มานั่งคิดนั่งนึกนั่งหวนล้อมตัวเองนั่งพิจ า, ารณาปลูกความรู้สึกอย่างนี้ตัวเองอย่างคนทำวิปัสสนาหรืออย่างคนเรียนปริยัตหรอกครับ มันเป็นความรู้สึกที่ขณะนั้นขณะเห็นนามเห็นรูปเนี่ยคือเป็นความพูดยังไงว่าวิปัสสนาญาณที่มันอบรมมาจนถึงจุดเต็มที่เนี่ยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาในมรรคญาณคือความเบื่อนี่ยเบื่ออย่างมีผลเบื่อสมบูรณ์คือเบื่อแล้วก็สลัดได้ด้วยมันไม่ใช่เบือ่อ <c oughs> แบบเก๊ๆกลงๆฮันเหลียงกว่าง ยังไม่เรียกว่าเบื่ออย่างแท้จริงอย่างนมักเขาเบื่อแล้วก็แทงตลอดสัตว์จักเอาเป็นสาระถ้าคนไหนได้อภิญญาประกอบด้วยวีชานเป็นบาทรดูแล้วก็ได้สองสายเลยครับได้ปฏิเวททั้งสองสายเบื่อชั้นต่ำก็ไม่ต้องพูดถึงนะมเบื่อวัตฏะได้อย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงนะ เอาล่ะพอมาถึงข้อสี่เนี่ยก็เรื่องของเราแหละเรื่องของเราส่วนมากแล้วนะเนวะนิปิทานโนปฏิเวทถ้าถามว่านิปิทานเลอเนวะปฏิเวทนเลอโนเอฟังแล้วเนี่ยเราไม่มีดีซะบ้างเลยใช่เหรไ ม, มีดีซะบ้างเลยถามว่านี่กำลังจะดูถูกว่าเราเนี่ย เบื่อหน่ายสงสารไม่เป็นหรือไงไม่รู้เรื่องอะไรซะเลยหรือท่านบอกว่าไม่ได้ปฏิเสธอย่างไม่มีเหลือเยอใหญ่แต่หมายเอาว่าไม่ถึงจุดอย่างที่ท่านกําหนดไว้เราอยู่ในขั้นสังสมนะฮะอยู่ในขั้นสังสมต่อต่อต่อแตะขึ้นมาโดยลำดับแต่ว่าในขั้นสังสมเนี่ยมันใช้ไม่ได้ เราเนี่ยถึงไม่นายตามปัญญาที่เรามีอยู่นะไอความรู้สึกของเราเนี่ยนะมันมีสองสิ่งสิส่งหนึ่งคือพวกสร้างสมความไม่เบื่อสร้างสมความไม่แทงตลอดสิ่งหนึ่งคือสิ่งอกุศลจิตเราเกิดอกุศลจิตขึ้นมาในเรื่องอะไรตัวใดก็ตามเรา สีกนั้นน่ะเป็นสีกที่สั่งสมความไม่เบื่อสั่งสมอัปติเวทนี่อีกสีกหนึ่งคือกุศลจิตที่มีปัญญาประกอบเช่นมาฟังธรรมะให้ทานนักศาสน์นั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระมีปัญญาประกอบก็จริงเรากําลังสั่งสมแต่ชื่อว่ายังไม่เกิดความเบื่อจริงๆ ไม่เกิดความแทงตลอดจริงๆรู้ได้ยังไงที่ว่าจริงๆคือถ้าเบื่อกรรมจริงๆแล้วพฤติกรรมเราต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะคติเบื้องหน้าเราต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งเบื่อกายจริงๆแล้วพฤติกรรมเราเป็นอีกอย่างหนึ่งคติเบื้องหน้าเราเป็นอีกอย่างหนึ่งแทงตลอดไอ้นี่ก็ถ้าเป็นอวิญญาก็ง่ายหน่อยราี่ภูติเนีย สัจจาก็เหมือนกันเราก็ยังรู้ไม่จริงกำลังสั่งสมไปที่ละเล็กเลียน้อยยังเรียกว่าเป็นเบื้องต้นเป็นอาธิเท่านั้นแหละไม่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของท่านานะแผ่นนี้ก็เป็นอันเราพูดท่านี้ก็เพื่อให้เห็นความชัดเจนบางจุดของเอกสารนี้เราพูดถึง ย้อนกลับมาหน้าแรกตอนท้ายนิดหนึ่งว่าอารมณปฏิเวกอาสา ม, มหะเนี่ยได้พูดมาแล้วในคราวก่อนนะฮะแต่ว่ารายละเอียดก็ยังมีส่วนนั้นส่วนนี้ไปเรื่อยๆในภายหลังพลิกมาหน้าที่สองหน้าที่สองนี่ก็กำหนดให้เห็นชัดว่าปริญญาโลกีภูมิเนี่ยมันอยู่ตรงไหน ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรบางส่วนก็ได้พูดบ้างแล้วบางส่วนจะเน้นให้เห็นเป็นข้อสังเกตพิเศษที่ควรจะพูดยาตปญญ า, ยาปริญญาเทียนาปริญญาปานาปริญญาที่เป็นโลกิยาคูมยาตาปริญญานั้นกำหนดขอบเขตของความรู้ตามความรู้ตามสภาวะหรือความรู้สภาวะนั้นแล้ว ว่าสภาวะเนี่ยมันเป็นคือพูดง่ายๆว่าอ่ที่หลักบอกว่าในโลกเนี่ยมันมีสมุติกับปรมัาทแล้วก็ปรมาทเนี่ยมีหลายอย่างมีลักษณะบอกว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้และอื่นจากกันและปรมัาทมีสองส่วนนามกับรูปคนละส่วนกันเราได้รู้แล้วรู้ตามข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว รู้แล้วเห็นแล้วซึ่งตัวของสภาวะนั้นแต่ผมต้องยำ้ำว่าต้องได้ขั้นญาณที่หนึ่งแลวมันต่างกับไอ้ที่ยังไม่รู้ขั้นญาณที่หนึ่งยังไงพูดเล่าเามาบ้างแล้วแต่ว่าเมื่อถึงคราวหน้าจะพูดแยกเป็นประเด็นปเด็นให้เห็นแน่นอนชัดเจนอีกทีแล้วก็ญาณที่สองปัจจยบริฆายาเห็นปัจจัยเนี่ย มันก็เป็นเรื่องรายละเอียดของตัวสภาวะนั้นเพราะเมื่อรู้ตัวแล้วยังสืบไปถึงโค้งเงาเหล่าก่อนนะว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังทําให้มีทําให้เป็นมันก็จะได้เป็นเบาะแสให้เราได้กำหนดรู้ทั้งตัวมันเองแล้วก็สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องเวลากำหนดรู้แล้วก็การละการปลดไอ้สัมพันธภาพหรือปฏิยาการของมันนี่ก็จะเกิดขึ้นอย่างถูก จุดถูกเขตถูกผลต่อไปนี่เรียกว่าขั้นรู้ตัวต้องจับตัวให้ถูกถึงย้าอยู่บ่อยๆว่าการเรียนพระอภิธรรมเนี่ยหลักอภิธรรมจะเป็นอภิธรรมในพระอภิธรรมพิด ก, ก็ดีหรืออภิธรรมอย่างในพระสูตรก็ดีพระพุทธเจ้าพยายามจะบอกตัวให้เข้าใจในทางปริยัติบอกทำไมบอกให้คนทำภาวนาและจับตัวให้ถูก ถ้ามันจับตัวไม่ถูกแล้วมันก็ไปไปผิดเลยครับหลงเงาหลงอะไรไปกระเจิงไปนอกรูกนอกทางพอมาถึงตีรณาปริญญาสองยานนี้เป็นยาตาตีรณาปริญญานั้นยานสามเห็นความเกิดดับอย่างหยาบยาน เดี๋ยวค่อยย้อนมาพูดให้เห็นไอ้หัวเลีว้ววต่อของยานแต่ละจุดทีทีนะฮะสิบหกเนี่ยมันมีหัวเรีย้ยวหัต่ออย่างหยาบแล้วถึงไปเห็นขั้นละเอียดคือยานที่สี่อุทยาวยทยา ย, ยางเห็นความเกิดดับขัละเอียดคำว่าละเอียดเนี่ยหมายความว่าเห็นเป็นขณะเลยครับ mm hmm. เห็นเป็นขณะหน่วยทำด้วยแล้วก็เป็นปัจจุบันจริงๆด้วย ไปคำว่าปัจจุบันจริงๆในที่ผมว่าเนี่ยก็พูดเป็นแบบเราๆนะมันไม่ใช่เห็นความเกิดดับเมื่อวานนี้หรือเมื่อชาติก่อนในลักษณะเราๆรวมเป็นข้อสรุปแต่ว่าคนจะมาเห็นเป็นขนาดได้ต้องเห็นอย่างข้อสามก่อนเพราะว่าความเป็นไปของปัญญาเนี่ยก็ธรรมดาครับมันค่อยทีแรกมันก็มืดไม่รู้อะไรแล้วค่อยมาทีละนิดไอเราจะไปใจร้อนก็ไม่ได้อย่าไปบังคับไอระดับภูมิความรู้ขณะนั้นวันนั้น ว่าเอ๊ะทำไมไม่เข้าใจทำไมรู้ไม่หมดมันก็ไม่ได้ไงต้องค่อยๆขยบไปทีละหน่อยต้องยอมรับอันนี้ต้องใจเย็นๆแล้วก็เลือกเอาความที่เรารู้เนี่ยมาเป็นเครื่องบํารุงกาลังใจอย่าไปเอาไอ้ความไม่รู้เอามาเป็นเครื่องทําลายกําลังใจเราเอ๊ะฟังกี่ครั้งฟังสิบรู้แปดไม่ใช่รู้แปดฟังสิบไม่รู้แปดรู้สองเนี่ยแล้วก็นึกถึงแต่ไอ้แปดไอ้แปดแล้วนึกมันจะต้องแปดมากขึ้นเรื่อยๆ หรือเพิ่มเป็นเก้าเป็นสิ์มันก็เลยหมดกําลังใจที่จะปฏิบัติที่จะศึกษาเราก็ต้องนึกไอ้ที่มันเป็นกาลังใจนะแล้วก็ต้องเมื่อ น, นึกไอ้ที่เป็นกาลังก็จะได้เป็นกาลังใจให้เราพยายามจะเรียนรู้ไอ้แปที่เหลือต่อไปปฏิบัติให้แจ้งในแปที่เหลือต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าสันโดดค่ะเรียนด้วยความรู้สึกสันโดดทาความรู้สึกให้สันโดดเป็น เราก็จะบริหารตัวเองให้ยืนอยู่บนความสืบเนื่องของปริยัติปฏิบัติได้อย่างยืดเยื้อยาวนานแล้วธรรมะก็ชอบด้วยนะถ้าคนสันโดษอย่างนี้ได้แล้วธรรมะจะวิ่งเข้ามาหาถ้าคนโลภก่าธรรมะวิ่งหนีหมดเลยโลภในห้องปฏิบัติธรรมะก็วิ่งแหนบหนีหมดเมื่ออย่างที่เรามีความรู้สึกโข อ, อกเดียวกันอยู่อย่างบางทีเราเนี่ยวันวันอาทิตย์เนั้นยังคุยกับ พวกเราคนหนึ่งที่นั่งอย่างนีน้แล้วเหมือนกันนะผมหรือใครก็ตามเวลาจะไปปฏิบัติเนี่ยนะเราเคยทํามาเยอะแล้วนี่เราคนนึก็โอ้ยเราเไปอย่างเขืง่งนๆได้แล้วผ่านงานมาเยอะแล้วนั่งปุ๊บก็ต้องได้ปั๊บไม่ต้องไปรอสามวันเจ็ดวันอย่างคนอื่นมือใหม่เขาหรอกก็ไปแบบเรื่อนๆพอไปนั่งเขาโอ้โหคาดไม่ถึงเลยทีแรกก็นึกว่าแค่จะโมงแค่ครึ่งวันแรกเดี๋ยวบ่ายมันก็เข้าที่เองแล้ว เราบารมีมากแล้วมือชั้นครูแล้วเพราะบ่ายก็ไม่อีกสูตรหนักก็ไปอีกนะลองไม่ลองไม่ถ อ, อนความรู้สึกไอ้ประมาท ต, ตัวนี้ออกนะแย่เลยครับบางทีตกใจเลยว่าไอ้ตายหลักสูตรแรกดีกว่าไอ้หลักสูตรที่สามที่สี่สู้ไม่ได้เงี้ยนะเพราะไอ้ความไม่สันโดษตัวนี้แหละความกําหนัดกล้าตัวนี้แหละความประมาทอันนี้แหละมันเป็นตัวขัดขวาง นั่นถึงบอกว่าเราเนี่ยเราเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างดีบางคนน่ยพอจะไปเรีบฟิตแหละสวิตโลงหน้าเจ็ดวันนั่งซึ่งเวลาไปถึงเวลาจะได้ไม่เมื่อยมากจะได้ไม่ยังงนอย่างนี้มากนิวรอนไม่ลุมมากเตรียมอย่างดีนะพอไปแล้วก็ยังมาไ่อหลอดเพราะเตรียมไปแล้วก็พอไปถึงที่นั่นก็เขืเ่องแล้วโอ้ยเราฟิตมาดีแล้วซ้อมดีทําการบ้านมาดีแต่ลืมควบคุมความรู้สึกไม่สําเร็จนั้นถึงบอกว่า ไม่ว่าท่านจะทํามากี่ปีกี่เดือนก็ตามต้องตั้งความรู้สึกให้เป็นศูนย์โดยกุศลจิตไว้อย่ายิงอย่าเขื่องเวลานขาดเจอครับบางทีอย่างนี้ก็มีเข้าสํานักนี้ไม่เขื่องอพอไปลองสํานักใหม่จะกเขื่องแล้วมองหน้าอาจารย์ขนาดไหนอาจารย์เข้ามากี่ครั้งแล้วอาจารย์ลูกศิษใครเขื่องทําไม่สําเร็จแล้วก็เลยพานว่าอาจารย์ไม่เก่งบ้างวิธีไม่ถูกจริตบ้างอะไรบ้าง ลืมดูตัวเองไปแม้ข้างนอกจะเป็นยังไงเรามีสิทธิสังเกตได้แต่ต้องคุมตัวเองในเรื่องนี้ให้ดีที่สุดมันจะไม่กิบมันจะไม่เกิดอาการที่เรียกว่าปิดขวางตัวเองธรรมะเนี่ยหญิงไม่ได้เลยครับไอกคนอื่นเนี่ยบางทีใจเราหญิงแต่เราทําเป็นไม่หญิงได้ไม่หลอกคนอื่นได้แต่ก็ธรรมะเนี่ย ทำมากก็อยู่ที่ใจเราเรายิงก็ทำมากก็คือเราทำลายใจของเราเองเหมือนกฎแห่งกรรมอันนี้ดูต่อการเห็นความเกิดดับเนี่ยเห็นอาการแต่ถามว่าอาการของตัวตัวยังอยู่ใช่ไหมใช่คนเห็นอาการไม่ได้ทิ้งตัวถ้าตัวไม่อยู่จะไปเห็นอาการอะไรอาการก็อยู่กับตัวพูดง่ายว่าเป็นการเห็นตัวลึกลงไป นั่นในบทบรรยายเนี่ยท่านถึงพูดไว้ดีว่าตีรณปริญญาเป็นปัญญาที่ซึมรอบนะรู้ซึมรอบเข้าไปสู่เนื้อของสภาวะนามลูกนใช้คำดีมากซึมรอบรู้อย่างซึมรอบตอบต่อไปนะตีรณปริญญาเนี่ย ยังอยู่ยืนสงเคราะห์เข้าไปถึงอนุโลมมายานเพราะอะไรเพราะตรียนาในหมายถึงการพิจารณาเห็นความเกิดดับอนิจจังตุกขังหน้าตาของนามของรูปแต่ยานที่ห้าถึงยานที่สิบเอ็ดมีลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นความสามารถของปัญญามีอาการพิเศษเพิ่มขึ้น คือการละประหารแบบตะทางฆ่าประหารถ้าจะถามว่าแล้วยานต้นๆไม่มีการละหรือเราไปดูในยานสบหกเนี่ยฮพูดไว้ทุกยานแหละว่ายานหนึ่งละกิเลสอะไรยานสองละกิเลสอะไรยานสามละกิเลสอะไ ร, ย า, าะ ร, ะไรยานสี่ละกิเลสอะไร และพอมาสงเคราะห์ปริญญาไม่เอาที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็ไม่ใช่อธิการไม่ได้ปรากฏอย่างเป็นอธิการมันเป็นผลพลอยของอธิการตัวอื่นของความรู้อย่างเราให้ทานเนี่ยลายกิเลสมั้ยล่ะและเป็่นประหาหน้าปริญญาไหมไม่เป็น แผ่เมตตาละกิเลสไหมละเป็นบาลไม่เป็นถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ถึงมาตรฐานมันไม่ใช่อธิการอย่างยาตาปริญญารู้นามรู้รูปเนี่ยถือว่าเมื่อก่อนตัวไม่รู้มารู้เป็นอธิการผมใช้คำอธิการคำเดียวท่านต้องนึกกัาใจนะเป็นหัวนหน้าเป็นเจ้าเรือนของจิตขณนะนั้นไอ้เรื่องอื่นถือเป็นเรื่องค่อยๆซึมเข้ามา ไม่ใช่ตัวออกหน้ามาเห็นความเกิดดับการพิจารณาเห็นซึมเข้าไปสู่ตัวสภาวะนั้นโดยอาการเป็นอธิการการละอะไรอะไรยังไม่ได้มาตรฐานยังไม่ออกหน้าพอมาถึงขั้นญาณที่ห้าเนี่ยมันเห็นความเกิดดับจนเลือกดูแล้วเขาเรียกว่าเลือกถ้าเป็นภาษา มวยเขเรียกว่าเลือกเลือกเตะเลือกต่อยเขาได้ตามใจชอบเพราะเป็นผู้คุมเกมภุมิการต่อสู้ไว้ได้นะฮะนี่ก็เลือกว่าอันไหนมันเป็นประโยชน์มันเข้าตาปฏิเวชเป็นประโยชน์แก่ปฏิเวก็เลือกดูอันนั้นเข้าตามหมายถึงเข้าความรู้เป็นประโยชน์แก่ความรู้สึกจากการเห็นมากกว่าก็เลือกดูอันนั้น เพราะอะไรเพราะได้ความรู้สึกแล้วมันละใช่ไหมละแลลว่ายานนี้มุ่งเอาผลได้คือการละจากการเห็นปหาณป ร, ริญญาได้เลื่อนตัวเองขึ้นมาเป็นอธิการอันอื่นกลายเป็นผู้อุดหนุนเป็นผู้ประธานเป็นตัวลดฐานะลงไปอยู่เบื้องหลังเหมือนกับศีลสมาธิปัญญา ทีแรกศีลก็เป็นอาธิพรมาจารย์สมาธิก็เป็นเบื้องต้นเป็นบาตรทำวิปัสสนาได้วิปัสสนาก็มาเป็นหลักนะฮะมันก็ค่อยๆตามมาพอถึงจุดบริบูรณ์ก็เสมอเท่ากันศีล ส, สมาธิปัญญาอย่างที่ได้พูดในวันแรกเทียบได้กับอันนี้เหมือนกับอันนี้เพียงแต่ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นการกล่าวถึงศีล กล่าวถึงความนิ่งสมาธิและปัญญาแต่ปริญญานั้นพูดถึงปัญญาอาการของปัญญาตัวเดียวไม่ได้เอาศีลพูดไม่ได้เอาความนิ่งพูดเนี่ยอธิบายปัญญาตัวเดียวอาการของปัญญาที่ทำมีพลังรอบตัวรอบด้านศีลไม่เกี่ยวโดยตรงในที่นี้สำหรับเรื่องนี้นะฮะเราไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องวัตรายศกขาหรืออธิ จิตณทิศณทิปัญญาเนี่ยครับก็เกิดการละขึ้นไปตามลำดับด้วยความรู้สึกต่างๆเราจึงมาดูด้านหลังก็จะเห็นว่าพอมาเราเร า, าแบ่งอย่างนี้เลยครับว่ายานหนึ่งถึงยานสีเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเห็นตัวสภาวะแล้วก็เห็นอาการ นะฮะมันก็อยู่ด้วยกันแหละเหมือนเห็นตัวคนกับอิบทธิบาของคนมันยังผูกพันอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่จุดสนใจไปอยู่ที่ข้างนอกมันง่างายอยู่สิ่งอื่นเราอย่าลืมว่าเวลาทําวิปัสสนาเนี่ยมันมีอารมณ์เราจะละกิเลสได้ต้องละด้วยอารมณ์โดยมีปัญญาเป็นตัวกลางเห็นอารมณ์คือนามลูกํำหนดไว้เห็นอย่างไร ปัญญาก็ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นภายในถามว่าความรู้สึกอยู่ในอารมณ์หรืออยู่นอกอารมณ์ความรู้สึกนอกอารมณ์เอาตอบเลยเดี๋ยววุ่นอยู่นอกอารมณ์ใช่ไหมอย่างเช่นเราไปเห็นศพเรารู้สึกเบื่อหน่ายศพความรู้สึกเราอยู่ในศพหรืออยู่ในใจเราเองอยู่ในใจเราเองใครเป็นตัวประสานทำให้ความรู้สึกในใจเราเกิดขึ้นจาก ศพข้างนอกตาเราไม่เทียบนะตาเราเหมือนปัญญาเห็นยิ่งเห็นเท่าไหร่โศโครกเท่าไหร่ปฏิกูลเท่าไหร่ความรู้สึกยิ่งแรงเท่านั้นและถ้าเราจํานงหวังที่จะให้เกิดความรู้สึกโดยเห็นว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วมันรู้สึกแล้วมันคืนคลายอะไรบางอย่างอย่างที่แต่ก่อนมันมีนะฮะต่อซากศพนะั้นเราก็พยายามจะอมองดูในแง่นั้นย้ําดูในแง่นั้นดูให้รอบดูให้ทั่วแล้วย้ําดูบางจุด ที่มันมีผลแล้วความรู้สึกของเราก็ค่อยพัฒนาเคลื่อนีมันก็ไปกระเทือนความรู้สึกตรงกันข้ามที่ฝังใจเราอยู่ออกไปทีละส่วนทีละส่วนเพราะฉะนั้นผมบอกว่ายานสิบหกเนี่ยแบ่งอย่างย่อที่สุดมันมีสองอย่างคือหนึ่งเห็นตัวสภาวะเห็นข้อเท็จจริงของนามลูปหนึ่งถึงสียานที่เหลือนอกนั้นเป็นความรู้สึกที่เป็นประโยชน์ต่ อ, อ ก, การละทีนี้มันมีหัวเรียวหัต่ออย่างนี้ ยานที่สามเนี่ยถือว่าเป็นหัวเรียววัาต่อเป็นจุดตั้งต้นจากการเห็นตัวแล้วค่อยๆเริ่มซึมเข้าไปหาอาการในชั้นต้นหยับๆพอได้ยาสี่ก็เห็นเต็มตาพอยานห้าก็เลือกดูไอ้ที่มันเป็นประโยชน์กก่ความรู้สึกนั้นความรู้สึกเริ่มตั้งต้งตนออกหน้าตรงนี้เริ่มเรียกว่าเปลี่ยนจากข้อเท็จจริงความรู้สึก ก า, ก, าการเห็นเนี่ยมันมาประจบกันพอดีๆตรงนี้แล้วนะยานห้าเริ่มพลิกความรู้ดูอารมณ์คือความดับเพื่อเน้นความรู้สึกเนี่ยเวลาท่านพราณนาในิสงของยานห้าเนี่ยพูดไว้ยาวเลยครับผมลองยกตัวอย่างสักกอย่างก็ได้เช่นว่าเป็นคนที่จะเริ่มมีความรู้สึก ปฏิบัติทำอย่างไม่อาลัยในชีวิตชัดเจนนะไม่เหมือนเมื่อก่อนะเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่เห็นความดับเราก็ทําแบบกลัวๆทําแบบไม่ค่อยกล้าใจไม่ถึงกลัวตัวจะตายบางกลัวคนอื่นจะตายบางกลัวอย่างงูอย่างนี้ถ้าคนทําถึงจานนี้แล้วแผ่นดินไหวก็ไม่กลัว ถ้านี่ผมสมมติเอานะท่านมาดียกหลายอย่างนสมมติเอ า, าสมมติเราเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาขนาที่ตัวเองกำลังได้ยานีสติกำลังเดินเนี่ยปัญหาว่าเขาจะลุกทิ้งอาสนะหรือจะเอากรรมฐานโดยนั่งอยู่ที่อาสนะคือเอาชีวิตรอดหรือจะเอาธรรมะรอด เขาต้องเลือกเอาธรรมะรอดเองงั้นไม่บาเกินไปแล้วบอกว่าไม่บาคนลองเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วรู้ว่าวิธีรอดของคนปฏิบัติธรรมเนี่ยครับคือรอดได้ธรรมะอันนี้อัศจรรย์อันหนึ่งเลยครับหลายคนถึงแม้จะเล่ามาถึงจุดนี้เนี่ยมันคล้ายๆกันบางทีเนี่ยเราไปอยู่ในภาวะตื่นตระหนกจอกใจถ้าถ้าเราขืน ไม่สัมรวมใจให้เป็นธรรมะขึ้นมาเราไม่ปลอดภยัยอย่างวันนี้นั่งแท็กซี่มาเหมือนกันไม่รู้มันอีท่าไหนมันคงนอนดึกอนะ่ะเอ๊ะมันทําท่าขับไม่เคยดีเอะเอ๊อเบรกแรงๆเฉียวใช้เฉียวฝาแต่มันไม่โทษตัวเองนะไม่โทษคนอื่นได้รีปัญหาวอด ๆ, ๆ, ๆแล้วก็รู้มันคงจะนอนดึก ถ้าขืนเราไปช่วยมันด่านะฮะคันหนึ่งบอกแม่รถเบนกันนี้เนะี่ยด่ารถเบนนะไม่รู้ของพวกเราบ้างหรเปล่าขืนไปช่วยมันด่าผมว่าเดี๋ยวมันใจร้อนมากขึ้นไหวโทรสามแรงมากขึ้นเดี๋ยวก็ต้องไปชนก่นด่นะเราก็ทำหน้าเป็นปกติพูดให้เป็นดีที่อะไรที่เออมันนี่วันหยุดเดิมทีเจ้าของรถเบนเขาคงไม่ได้ขับเอง เขาต้มีคนขับวันนี้ลูกน้องหยุดเขาเลยต้องขับเองนะเกิน่าเห็นใจเขาเหมือนกันหลายคนผมรู้จักเป็นอย่างนี้ผมก็มาเราก็พูดเป็นดี เ, เองนแล้วเราก็พยายามสํารวมจิตแผ่เมตตาเออก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นก็คอยช่วยชั่วนะไอ้นี่ก็เป็นความรู้สึกของเราเองอาจจะอย่างนั้นก็ได้นะก็มาจนเรียบร้อยปลอดภัยดีเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถึงเราอยู่นอกธรรมะยังต้องวิ่งเข้าหาธรรมะ ภาษาอะไรก็เราอยู่ก็ธรรมะอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะออกจากอาวิหารธรรมไปสู่ที่ที่โล่งแจ้งให้โดนระเบิดโดนกระสุนได้ง่ายล่ะอันนี้ความรู้สึกเราจะบอกเองทุกคน่ะที่เป็นเป็นคนปฏิบัติธรรมนะจะรู้แต่คนไม่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ใช้วิธีคุ้มตัวด้วยอาการอย่างอื่นนั้นเป็นภายนอกก็จะไม่ปลอดภยัยสู้อันนี้ไม่ได้ เพราะนั้นพอเห็นความดับความรู้สึกเริ่มทวีคูณมากขึ้นโดยยานอื่นคือพยะญาณอาทีนวายานเห็นภยัยเห็นโอษเบือ่อแล้วก็พอเบือ่อแล้วก็ไปถึงจุดหนึ่งคือความรู้สึกพอบม่มละคลายความรู้สึกฝ่ายตรงัข้ามได้ทีแล้วก็ปัญญาเริ่มกลับมาอีกทีว่าจะสนองความรู้สึกเบือ่อ ทำยังไงถึงจะพ้นจากสิ่งที่ไม่ต้องการนี่ไปได้ก็เป็นที่สุดแห่งความรู้สึกและเป็นจุดตั้งต้นแห่งการนาวางความรู้สึกใหม่มีจะเห็นได้นะครับอย่างที่พูดคราววันวันอาทิตย์ที่แล้วว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องละทั้งกิเลส ช, ชั้นต่ำความชั่วไปตามลาดับแล้วก็ต้องเลยความดีขึ้นไปตามลาดับด้วยจาได้ไมฮะ ทำชานก็ต้องละอย่าไปอย่าไปเสียดายว่าเอาชานสองแต่ยังห่วงวิตกเนี่ยไม่ได้จะเอาชานสี่แต่ยังห่วงปีติไม่ได้ต้องปล่อยต้องวางเพื่ะให้ความรู้สึกเหล่านี้ก็เหมือนกันถึงเราจะรู้สึกเออมันดีมันให้ความสุขแต่ว่าเมื่อเราไปถึงจุดเต็มของความต้องการแล้วต้องปล่อยต้องวางใจใหม่ตั้งหลักใหม่ยานก้าจึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ ของการวางความรู้สึกใหม่ด้วยการกลับไปพิจารณานามรูปอีกทีหนึ่งตั้งความรู้สึกใหม่อย่าให้อะไความรู้สึกอันอื่นมันมากรบเพราะว่าไอความรู้สึกตรงกันข้ามความรู้สึกเบื่อเนี่ยเราก็ได้เอาชนะมันแล้วพอแล้วความรู้สึกนี่มันใช้มันจนเต็มที่พอแกประโยชน์แล้วต้องหาทางออกและการจะหาทางอ อ, ออกความรู้สึกอันนี้มันตันแล้ว คืออย่างที่บอกว่าความดีเนี่ยมันพาเราไปถึงจุดหนึ่งจะต้องถึงจุดตันแล้วต้องปล่อยต้องวางความดีนั้นหรือพัฒนาความดีให้เป็นอีกระดับหนึ่งขึ้นมาถึงจะก้าวไปอีกชั้นหนึ่งได้เนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นหลักของทุกๆเรื่องนะในการพัฒนาชีวิตการทำวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันจึงถือว่าเป็นที่สุดแห่งความรู้สึกและเบื้องต้นแห่งการวางรู้สึกใหม่ด้วยวางแผนปฏิบัติใหม่วางความสึกใหม่ พอถึงยานที่สิบก็วางเฉยในนามรูปแล้วก็อนุโลมมายานนี่ก็เรียกความรู้สึกมันเฉยจนได้ที่แล้วมันก็ไหลไปสู่มรรคสู่ผลเรียกว่าอนุโลมมายานไอวางเฉยตรงนี้กับวางเฉยที่บางแห่งเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะเฉยมันมีหลายระดับอย่างเช่นคนเริ่มทำวิปัสสนาก็มีเฉยและวางเฉย พรุ่งนี้ก็มีพระสูตรหนึ่งท่านพูดถึงการวางเฉยที่น่าศึกษานะฮะว่ า, าเวลากำหนดอายตนะทั้งมมีวิจารปรากฏกับอารมณ์เนี่ยว่าจะทำยังไงบอกว่าขั้นแรกคือรู้เท่าทานันขั้นสองวางเฉยขั้นสามดูให้เห็นว่าเป็นของ หน้าเบื่อหน้าลังเกียจนี่ก็มีเป็นขั้นขั้นไปแล้วว่าอยาวแต่ตามความหมายนี่ทนั้นในวางเฉยตรงนั้นหมายถึงวิเนยะโลเกวิชาโทมานัสสไม่ใช่สังขารุปเปกขยานก็คนละเรื่องต่างกันแต่ว่าในตอนนี้นะท่านยังไปยังไม่ต้องไปนึกเอาจริงเอาจังไปทั่วเพียงแต่รับทราบว่ามันมีหลายแบบแบบนี้เป็นแบบวางเฉย ที่เฉยขั้นต้นนี่ะคือวางใจเป็นกลางสากัดความยินดียินไลาย ไ, ได้นี่คือขั้นต้นแต่ขั้นนี้สกัดความรู้สึกในกุศลบางอย่างไว้ได้นี่แปลว่าอากุศลอยินดียินไล่เราก็ต้องเฉยให้ได้ในระดับหนึง่งและกุศลในบางระดับเราก็ต้องวางเฉยให้ได้ จึงจะก้าวขึ้นไปสู่กุศลอีกระดับหนึ่งได้ธรรมะนี่ดูยุ่งเหมือนกันนะดูยุ่งเหมือนกันว่าเอ๊ดจะทำตรงจุดไหนยังไงเนี่ยดูลอยลอยแล้วก็อาจจะนึกไม่ถูกหรือนึกว่าเออนี่ไม่ต้องเฉยแล้วมันเฉยแกตรงนี้พอไปถึงบรรลุเป็นพระอรันในมรรคเขาก็มีเข้ า, ข า, ข า, ขาต่อไปอีกนะอุเบก ข, ขาถึงมีตั้งสิบเอ็ดอย่าง เพราะฉะนั้นในการทำวิปัสสนาเนี่ยถ้าจะถามว่าการวางความรู้สึกที่สมดุลดีที่สุดคือความรู้สึกในยานไหนเป็นยอดของความรู้สึกสมดุลในสายโลกียาณยถ้าสายชานก็ชานสี่อุเบขาเวทนานั่นเอาเวทนาเป็นตัวหลักแต่ตรงนี้ไม่ได้เอาเวทนาแต่เอา สติพลังของสติชั้นสูงในสายโลกิยะคืออนุโลมถ้าเฉยไม่ดีจริงไม่ไหลครับวางความรู้สึกไม่ไม่พอเหมาะพอดีจริงไม่ไหลเข้าไปสู่กระแสมรรคผลได้เพราะนั้ น, ก า, น, น, นาา ก, การเห็นรูปเห็นนามและความรู้สึกต่อการเห็นรูปเห็นนามเนี่ย อารมณ์โดยรวมตัววิปัสนาปริญญาอยู่แถบหนึ่งตัวอารมณ์นั้นคือทุกหรืออนัตตานะฮะนี่เราพูดอย่างเอาเป็นเป็นสุดยอดเป็นของเฉพาะในพุทธศาสนาเลยก็คือปริญญาสามอย่างคือปัญญคือวิปัสนาแต่ละระดับเนี่ยเป็นของเฉพาะในพระพุทธศาสนาและ ปริญญานั้นกำหนดเห็นนามรูปโดยความเป็นอนัตตาหรือโดยความเป็นทุกข์ทุกข์้นนั้นเกิดขึ้นมาอยู่ไปเนี่ยก็เป็นอารมณ์สุดยอดในพระพุทธศาสนาที่ไม่มีภายนอกไม่มีปฏิภาปชาภายนอกที่จะทำให้เห็นอย่างนี้เป็นของพระพุทธศาสนาผมจึงมารวบยอดทิ้งท้ายไว้ตัวนี้ว่ามันไปลงอยู่ที่นี่ทั้งนั้น คราวนี้มาพูดถึงปริญญาโลกุตระภูมิอย่าลืมนะครับประานะเนี่ยโดยมากไปอยู่ในยานขั้นโลกียภูมิแล้วก็ข้ามเลยมาถึงโลกุตระภูมิด้วยในการกล่าวโดยลำดับของอธิการปริญญาโลกุตระภูมินั้นโดยลำดับอธิการ ปหาณาปริน ญ, ญาคือวิปัสนาญาณที่ห้าถึงที่สิบเอ็ดเสื อ, อนโรมยานเป็นโลกิยะปริญญาปาาณะปริน ญ, ญาคือวิปัสนาญาณที่สิสามัคยานเป็นโลกุตระปริญญานั้นปหาณะปริน ญ, ญาที่ในวิสุทธิมัช ก, ก็ดีหรือในอจักกะถาที่อธิบายในเรื่องของ ยานกถาในปฏิสัมพิธามากกัคดีเวลาท่านพูดโดยลำดับเนี่ยท่านก็จะพูดขาดเกี่ยอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าจะพูดกันเอาเฉพาะที่มัคเกิดเนี่ยเอาบริบูรณ์เนี่ยนะปะหานะที่มาเป็นมาโดยลำดับจเจริญ ม, มาโดยลำดับในส่วนโลกียะทิ้งไปเลยในขั้นบริบูรณ์มันไม่ได้บริบูรณ์แต่เฉพาะปะหานะ ตีระณะบริบูรณ์ด้วยยาตาบริบูรณ์ด้วยเรียกว่าโดยความบริบูรณ์แห่งปฏิเวทในขณะที่บุคคลแทงตลอดเนี่ยวริ ญ, ญาสามนี้ไม่มีใครเป็นอธิการเนี่ยเป็นอธิการใต่เฉพาะในกิจทั้งตัวคือเป็นอาการรู้รอบหรือรอบรู้สัจจะสี่แห่งสัมาจติในมรรคยานสี่เป็นโลกุตระวิริ ญ, ญาเราก็มาดูตรงนี้ครับ ข้อที่ถลายนะยอ๋อตกไปข้อใช่ไหมมุนกิตุฮ่าค่ับใช่ใช่อ่าอย่างนั้นก็เอาไว้คราวหน้าเอามาแยกให้ใหม่แล้วกันนะแยผมจะได้ไม่ต้องพูดย้อนไม่ต้องพูดย้อนสำหรับหน้านี้เพราะอันนี้ยังไม่เป็นสาระที่จะพูดเป็นเรื่องนั้นพูดย้อนเดี๋ยวจะมี ข้อความลบอกอยู่ในเท mm hmm. มคาบรรยายนั่นไปนะขอเลยไปก่อนหรือตอนท้ายชานิษาจะมาใส่ให้ใหม่ก็ได้แต่อาทิตย์หน้านี้จะมาซ่อมให้ทีหลังนีดนีดูหน้า mm hmm. หน้าที่จะว่าถัดไปนะคืออาธิการแห่งปรินยาสามอันนี้ผมไม่อธิบายแล้วเพราะว่าได้อธิบายโดยความหมายมาหมดแล้วประเด็นที่ห้านะ อธิการแห่งปริญญาสามว่าถึงยานไหนอะไรเป็นอธิการเพราะอะไรได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐา น, าานยังไงเนี่ยอามาดูภาพแสดงเลยฮะภาพแสดงนี่จะบอกย้อนไปได้หมดภาพแสดงอธิการแห่งฟริญญาสามนะนี่เป็นภาพที่เขียนขึ้นมาเติมส่วนขาดไปด้วยให้เต็มด้วยท่านก็จะต้องเติมเอาจาก ประเด็นหกนะครับภาพแสดงอธิการแห่งปริญญาสามยานหนึ่งยานสองถามว่าบุคคลเมื่อปฏิบัติวิปัสนาจนได้ยานที่หนึ่งและยานที่สองนั้นเขาได้ปริญญาอะไรตอบว่าได้ยาตรปริญญาถามว่าปริญญาที่เหลือได้ไหมไม่ได้ยังไม่ได้ เป็นแต่เริ่มมีอาการเป็นเข้าๆมาแต่ยังไม่ได้มาตรฐานนะไม่ใช่จะไม่เป็นอธิการไม่ใช่ตัวออนนะใ ห, ให้เขียนตามแบบที่ผมเขียนนนะฮะนั้นตัวนี้เป็นตัวปฐมของบุคคลที่ได้ปริญญาแรกพอได้ยานสามยานสี่ปริญญาของเขาได้เลื่อน ขั้นเป็นตีรณปริญญาการพิจารณาเห็นอนิจังทุกขังนาตาส่วนหยาบส่วนละเอียด ย, น 3, ยนันสามยันสี่ตีรณปริญญานั้นเป็นอธิการถามว่ายาตาปริญญาเขาหมดไปหรื อ, อยังอยู่ต่อว่วอยู่แต่อยู่อย่างเป็นผู้ประทับไม่ออกหน้าแล้ว เหมือนคนเรียนขึ้นมาถึงชั้นสูงชั้นต้นก็ไม่ออกหน้าแล้วไม่ใช่เป็นตัวไปไปเที่ยวประกาศโชว์แล้วว่าเราจบชั้นต่ำๆมาอะไรบ้างก็จะประกาศแต่ตัวออกหน้านี่ถือว่าเป็นสุดยอดเป็นอธิการอันอื่นเป็นอุปถัมภ์ก็ไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ก็เป็นที่รู้เอาถ้าจบชั้นนี้แล้วชั้นต่าก็ต้องจบมาแน่โดยธรรมดาก็จะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ ถามว่าขั้นหะที่ได้ยานสามยานสี่ตีระปริญญาเป็นอธิการยาตาปริญญาเป็นผู้ประทับอันได้มาก่อนแล้วถึงจุดสมบูรณ์แล้ว ถ, 9, ถึงเก้ามาถึงตีระนะได้เนี่ยเพราะยาตะนี่แหละปะหานะไดอย่างยั่งยั ง, ย, งยังไม่ได้ตามมาตรฐานนะฮะต่อไปได้ยานห้าถึงยานสิบสาม ยานสิบสามผมหมายถึงมัคคานเลยนะฮะมัคคยานยานสิบสี่ยานสิบสี่ฮะแก่เป็นยานสิบสี่ผลยานยานสิบห้าปัจเจเวขณะยานยานสิบแก่เป็นยาน1ิสีนะฮะยานห้าถึงยานสิบสี่พอมาถึง อ๋อขอโทษเะผมผมขยักไอายานมากไปแ้ขยา น, อาน้อยเพื่อเพื่อแยกนะฮะแต่ว่าที่จริงเขียนสองแบบเขียนก้ามกึงนี้ก็ได้มันก็ชวนยุ่งหน่อยฮะบางทีบางทีก็ต้องแยกบางทีก็ไม่แยกมันคือที่ว่าจะตัดอธิบายโล ก, กีหรือโล ก, กุตละเอาเป็นว่าผมผมขอแยกกันลวกันตอนนี้เป็นญาณถึงยานสิบสามคือคือ อนุโลมมาอยาก อ, อ้อต้องยังงั้นต้องสิสิบสองสิบสองสิบสองต้วถอยมาถึงสิบสองอีกนะโคจระภูไม่เอาเลยเลยยุ่งกันใหญ่นะฮะเรื่องขยากอยู่แล้วเอกสารยั ง, งยุ่งอี่าเอาเป็นว่ายานสิบยานห้าถึงอนุโลมมายากนี่ พอเข้ายานห้าปราปริญญาเริ่มเป็นเจ้าเรือนเป็นอธิการออกหน้าแล้วครับเป็นความรู้สึกออกหน้าเป็นอาการงานใหญ่ของปัญญาภาวนาที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตกลบหน้าตีละนะกลบหน้ายาตะก็เลยเป็นอันว่า ป, รห า, ห า, ปา ร, ปรินยาสองที่เหลือเทียนะยาตาเป็นอุปธ ร, รมทิ้งไม่ได้ครับ จะเอาความรู้สึกไว้ลอยๆแล้วทิ้งรูปทิ้งนามไม่ได้ตอนปฏิบัตินะแต่ว่าเมื่อออกจากปฏิบัติอาจจะมีความรู้สึกว่าเบื่อแล้วก็ไม่ได้ไปกำหนดเห็นรูปเห็นนามอะไรจริงจังยังกระด้แต่ในขณะปฏิบัตินะเบื่อเบื่อเพราะอะไรเบื่อด้วยอะไรมันรู้อยู่แก่ใจก็คือด้วยปริญญาสองเบื้องต้นต่อไปมัรคขยานซึ่งเป็นญานสิบสี่ อันนี้เป็นการกล่าวโดยบริบูรณ์นะที่ในเอกสารนี้ไม่มีให้เติมเข้าไปเนี่ยคือพอถึงมักคขยานนั้นไม่มีใครเป็นอธิการแล้วถึงจุดปริอุ น, นังบริบูรณ์บริบูรณ์หรือเสมอภาคเสมอภาคตรงนี้หมายถึงอาการของปัญญา ในการทํากิจต่ออริยสัจเนี่ยเสมอภาคกันเสมอภาคได้ยังไงด้วยอะไรก็ด้วยการอบรมมาทีละส่วนทีละส่วนเกิดก่อนหนุนตัวหลังมาโดยลําดับพอมาถึงจุดสุดท้ายก็เสมอภาคกันในการรู้อริยสัจสี่ เลยไม่ต้องทำไปลูกสอนมันเท่ากันนี่ข้างล่างเนี่ยมันของเราคือญาณนอกนี้ญาณนอกวิปัสนาญาณได้ชงได้ฌานอะไรก็อวิยาด้วยถือว่าไม่ได้ปริญญา ปริญญาเป็นเรื่องของวิปัสสนาภาวนาโดยเฉพาะปัญญาอื่นทำเท่าไรเท่าไหร่ก็ไม่เป็นปริญญาและไม่ได้ปริญญาด้วยเพียงแค่การทำใน